การทำความดีผลก็ปรากฏเป็นของดีนั่นแหละแต่ปรากฏเป็นของชั่วไม่มีน่ะนอกจากคนชั่วคนชั่วมันหาเรื่องไปไปทำให้เป็นชั่วมันก็ชั่วในปากของมันแต่ผูนั้นก็ดีตามเดิมการทำดีต้องดีกันทาชั่วต้องชั่วตามหลักพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ผิดศาสนาพุทธศาสนาเรานี่สอนลงในหลักกรรมคือความเคลื่อนไหวกรรม การกระทําคือความเคลื่อนไหวนั่นแหละไม่เคลื่อนไหวก่อนมันทำไม่ได้แล้วการกระทํานี่แปลว่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางใจคิดทางใจก็เคลื่อนไหวทางใจแสดงมาทางวาจาเคลื่อนไหวทางวาจาแสดงมาทางกายก็เป็นความพืชทางกายความไม่ดีทางกายแ้วก็เร็ว่าเป็นเคลื่อนไหวทางกายเป็นกายกรรมการสอนลงที่ใจเป็นหลักสําคัญ เป็นหลักใหญ่ของอาการทั้งทั้งพวงน่ะจะออกมาจากใจใจเป็นผู้บงการจะผิดถูกดีชั่วประการใดต้องออกมาจากใจเพราะว่นใจจึงควรจะรับการอบรมนีแต่มนุษย์เรา จ, รงจรึงมีจึงมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองมีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องบำรุงเป็นเครื่องส่งเสริมแม้งั้นแจกเจริญไม่ได้ดีไม่ได้และถ้ามีตะกณ์ั่วเต็มโลกเป็นยังไงน่ะเราคิดดูสิ เพียงเราชั่วคนเดียวก็ทําคนอื่นให้เดือดร้อนได้มากเนี่ยแล้วคนนั้นชั่วอีกแล้วทําความเดือดร้อนให้แก่คนได้มากขนาดไหนชั่วสองคนชั่วสามคนขึ้นไปเรื่อยก็ไปถึงร้อยถึงพันถึงหมืน่นถึงแสนถึงทั้งประเทศชั่วด้วยกันหมดโลกนี้อยู่ได้ไงอยู่ไม่ได้แหลกไปเลยเถอะนี่ความอานาจของความชั่วถึงขนาดนั้นพราะท่านจึงให้เห็นภายของความชั่ว <c oughs> ให้สร้างความดีมีความดีคนหนึ่งขึ้นมาคามนนับว่าเริ่ม มียารักษาโรคขนาดหนึ่งขึ้นมาแล้วสองคนสามคนขึ้นมามากคนขึ้นมาก็เรียกว่ามีความดีมีเหมือนกับยาได้รับมียารักษาโรคขึ้นมาหลายขนาดแล้วก็พอฟัดพอเหี่ยงกันไปไม่ถึงก็ว่าเวลาเป็นแล้วก็คอยแต่จะตายท่าเดียวเพราะมียารักษาอย่างนั้นเป็นขึ้นมาแล้วก็มีทางที่จะหายได้เพราะมียารักษามีหมอดูแลเราก็มีให้ให้มีอาจมีทำภารณาจัยมีความดีสําหรับกับการบําเพ็ญของเรา มีครูมีอาจารย์ขอยแนะนำสั่งสอนมีเมื่อสักครู่นี้ก็นี่คุณชยันนี่ก็มาพูดใน้ฟังนี่พูดถึงเรื่องความดีความดีก็เป็นผลอย่างนั้นนหละพูดถึงเรื่องหลวงตาเจริญทีวัดน้องแสงเนี่ยต้องพึ่งเผาศพไปสักสี่เดือนเหรอสี่เดือนรี่สี่เดือนนี่นนนนที่ยิงท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาแล้วนั่นแหละความดีพระธาตุนี่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ เท่านั้นถึงจะอัตถิถึงจะกลายพระธาตุได้ถ้ า, าว่าอัตถิถ้าอัตถิได้แสดงมาอย่างนั้นแล้วก็ชัดใจเป็นยังไงนี่ก็เพิ่ไม่กี่เดือนก็แสดงมาแล้วเป็นพระธาตุแลวนั่นคือความดีความดีสุดขีดถ้าลงถึงขั้นอรหันตภูมแิแล้วก็เรียกว่าความดีสุดขีดเลิศพระเสริจสุดแล้วนะ ไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่านั้นไปแล้วการนั้นคุณดาเนินคุณงามความดีกันไปเพื่อความประเสริฐเลิศอย่างนั้นเนี่ยความดีทุกชิ้นทุกอันทุกอย่างจะรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปหนุนจิตใจให้เราให้เป็นจิตใจที่ดีเป็นคนที่ดีเกิดในภพใดชาติใดก็มีแต่พบชาติที่ของคนบุญปะเกิดไม่ใช่ของคนบาปไปเกิดถ้าบุญกุศลมีในใจแล้วถ้าเกิดพบใดก็เป็นพบของคนบุญนั่นแหละเป็นเทวนาเกิเทวนาบุญนถึงพรหมโลก สุดท้ายก็ถึงนีพพานได้ความน่าหนังความดีท่านริงสอนให้รักษาความดีให้ฟื้นความชั่วความชั่วมันมันรื่นมันเหมือนน้ามันเครื่องลอรื่นนี่แหละมันไหลไปเลยความดีต้องในผักได้ดันกันไว้ไม่มีความดีผักดันเอาไว้แล้วความชั่วมันจะพาไหลเตลิดเปิดเกลมลงทะเลหลวงไปหมดเลยต้องมีเครื่องกัน้นหาความดีนะั่นแหละมาปิดมา ก, กั้นโรคถ้าปล่อยให้เป็นแต่แต่โรคอย่างเดียว แล้วกินของแสลงเข้าไปแล้วก็มีแต่วันจะตายวันจะหายไม่มีท่านยังยังมีมียาหนึง่งมีกันของแสลงไว้หนึง่งมันก็มีเวลาจะหายโรคก็ดีเวลเราถ้ามีแต่ความชั่วชา้าเราโมกอย่างเดียวก็เป็นพื้นเป็นไฟเผาเราทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินนั่งนอนไม่มีเวลาร่มเย็นไปได้เลยตายไปแล้วก็ไปเผาอีกถ้ามีแต่ความชั่วอย่างเดียวนะถ้าไม่มีความดีไปเป็นเครื่องต้านทานกันแต่นี้เป็นทำไมโลกเราถึงอยู่ได้มาขนาดนี้ก็เพราะมีความดีความเย็นความร้อนมัน สับปนกันอยู่นั่นแหละพอหนุนกันไปอนให้สร้างความดีเวลาเรามีชีวิตอยู่ให้รู้ตายแล้วมันมีปัญหาอะไรนะแต่เคาะลงโต้โป๊กโป๊กรับสินนะก็เท่านั้นแหละอ้าวจริงๆถ้าไม่รับสินเดียวนี้ไม่รับธรรมเดียวนี้แล้วเคาะลงกับเคาะไปอย่างนั้นโป๊ะโป๊ะโรับสินนะรับสินนะแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี่ไม่เคยที่จะให้ปรับสินนั่นถ้าเป็นลูกมีแต่จับลูกจับหลานยัดสมือให้พ่อให้แม่ พ่อแม่ไปรับสินยาฉันจะไปโน่นพ่ อ, พอฉันจะไปนี่แม่เอาลูกใ ห, หนอยอาลานให้หน่อยนี่จำยัดอยู่กับลานพอเวลาตายเขาลงโป๊ะโป ะ, โปะรับสินนะรับสินมันรับสินบ้าไงคนตายแล้ว <c oughs> เราก็จะเราก็ <c oughs> จะตื่นงนั้น <c oughs> มันตายแล้วมันจะมารับสินได้ไงแล้งั้นมันจะยากอะไรศาสนาเขอยากาสอนคนตายเลยสิคนเต่คนเป็นนี่สอนทำไมไม่สอนเวลาตายเรากุศลธรรมมาไปสวรรค์นูนาที่ยอเสร็จเลย แต่นี้มันไม่สำเร็จประโยชน์นี่มันถึงสั่งสอนให้ทํำตั้งแต่เวลายังมีคิดอยู่นี่แล้วใครจะกุศลาไปกุศลาไม่สำคัญอ่ะขอให้จะขอให้กุศลาจของให้เยิบร้อยเถอะคาว่ากุศลามะหมายก็าางไงฉลาดความฉลาดเมื่อฉลาดรอบผิดฉลาดรอบตัวแล้วเป็นอยู่ก็ฉลาดตายไปจะเอาความโง่มาจากไหนก็มีแต่ความฉลาดเต็มหัวใจเท่านั้นจ้ะตายเลยนะพะโลงโง่อยู่แล้วไม่สนใจทําบุญทางทานไม่สนใจสร้างคุณงามความดีสนใจแต่สร้างบาปสร้างกรรมนั่นตายไปแล้วจะเอา นิมนต้ามาหมดประเทศไทยมากุชราธรรมมาไปสวรรค์นู่นนันมันก็บรรลุโลกกันได้เนี่ยมันไม่ไปไปหอไมไปอ้าวจริงจริงเลยลวงตาบวัวไม่ได้บวมมากโกหกใครนี่ ว, มวะมาถจะยากอะไรบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งก็ไปบวชฮะไว้สักองค์ิบวดหลวงตาไว้สักองค์หนึ่ ง, ง, งเช่นหลวงปป่าบันตาศหรือในหมูบ่บตรดาแถวนี้ก็ บ, บวชหลวงตาบัวไว้สักองค์หนึ่งไข่ตาไข่คุาธรรมมาให้เขา อ่าเวลาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องมาบัดมาวามาสร้างคุณนามความดีละไปกินเหล้าเมาสุราเล่นสุรายาเมาทุกสิ่งอย่างไปเตื้อสุรานาลีของดีของดีทั้งพวกเราของเจ้าทั้งนั้นแหละเน่ะตายลงนรกนนะถ้าไม่งั้นก็ต้องมัมีมวลลงตาบัวไปพุษณาทำไมให้ขึ้นสวรรค์น้ำน่ะมันไม่ได้สำเร็จประโยชน์อย่างว่าเพระมันจึงให้สร้างเสียตั้งแต่บัตนี้เวลามีชีวิตอยู่ให้สร้างทำเสียตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอย่างนี้ท่าน เวลาตายแล้วเขานี่ม้วนผ้ามาสวดนั่นหมายถึงบำมันญัลาสุดท้ายมันจําเป็นจําใจแล้วก็เอามาสวดที่เฉยนี่นะมันถึงคนตายไม่ได้คนคนเป็นมันก็ได้อันนั้นต่างหากนะมันได้เป็นเครื่องยืนยันรับรองว่าใครจะชั่วขนาดไหนก็ตามเถิดถ้าลงท่าไปกุศลธรรมมาแล้วเป็นขึ้นสวรรค์ท่านผรมหมดหมดนั่นนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปสร้างความดีอำไมเวลายังมีชีวิตอยู่มันเหนื่อยเมื่อยมันเมื่อยจะตายหิวจะตายเหนื่อยจะตาย ยิ่งหลวงคนขี้เกียจยิ่ยงหลวตะบวนนีโหยนอนมันบันยังค่าเหนือไม่ได้ภาวนาแล้วข้าไม่ภาวนาแล้วตายแล้วก็ยังมีมมมก็ยังมีใครปุสลธรรมาเอาเอาข้าขึ้นสวรรค์ได้หีืนะวะข้าจะนอนให้สบายเกี่ว่าเงินแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเถิถึงได้บึกได้บืนรุ้สาพยายามทมันดีในะหัวใจพอหัวใจดีแล้วเรื่องกายเรื่องวาจาเนะี่ยมันเป็นไปตามหัวใจทั้งนั้นเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อหัวใจดีแล้วพูดออกมาก็ดีถูกเหตุถูกผลถูกอดัถกอดถูกคํา กายการทำออกมามันก็ดีทั้งโดยการทั้งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีต่อโลกต่อสงสารและต่อตัวเองเนี่ยถ้าใจดีแล้วดีไปหมดถ้าใจชั่วสักอย่างเดียวแล้วชั่วหมดเหลวไหลหมด่ะจงให้รักษาใจของตัวให้ดีความเคลื่อนไหวใดก็ให้ดูใจเคลื่อนไหวก่อนอื่นกายจะแสดงอาการใดวาจาจะพูดอย่างไรออกมาต้องสอมาจากใจเป็นผู้คิดผู้อ่านผู้บ่งการมาเสียก่อนท่านจึงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวนั่นคือจิตเป็นผู้สั่ง สั่งการสั่งงานถ้ากิจได้รับการอบรมในทางดีแล้วก็สั่งงานออกมาทางที่ดีให้ทําแต่ความดีถ้ากิจได้อบรมเสี่ยมสอนในทางไม่ดีทางชั่วนั่น แ, แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องชั่วพูดกับคนอื่นก็ชั่วอะไรอะไรชั่วหมดทําต่อใครชั่วหมดเพระเจ้าของชั่วความชั่วไม่ใช่ของดีโลกไม่ต้องการนะ่ะแต่มกักจะทํากันเสมอเ น, นี่ยเพราะอานาจจิเลตตัวมันชั่วนะ่ะมันก่อมหัวใจให้อ ย, อยากทาไม่ดีก็รู้อยู่หักอยากทําที่เป็นนั่น ท, ทั้งตั้งจิตรู้อยู่แหละทั้งอยากทําแต่ไม่อยากรับทุกข์นั่นแหละเพราะว่าที่ไปถามอยู่ที่พวกไปเดินจํามันจะมาตีคุกติดเรืงอะไรเขาหาว่าผมขโมยหนูนี่เขาหามันไม่อยากเป็นมันต้งขุ่นกันใช่ไหม <c oughs> เขาหาว่าผมอยามอ่างนั้น <c> ด <oughs> <c oughs> ูมันนี่เพราะว่าเราไ่คนจริงแล้วเราทําจริงหรือหรือเขาหาจริงหอล่ะก็ทาจริงแหละเนี่ยทำไมถึงมาเขาหามันไม่อยากเป็นมันอยากเป็นนักโดว่าเขาหาเพื่อแก้ตัวทั้งเอา บาั้งถื่เป็นนักโทษเนื้อจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีวิตมันเนี้ยถ้าเป็นโทษไม่หมดนะถ้าโทษหมดก็ออก GP กี่ปีก็ตามเ<า>ห็นแล้วเห็นพากันสร้างความดีตั้ใจบุกพืตัวไม่มีอันใดที่จะรักษาหรือปฏิบัติญญาตยากยิ่งกว่าปฏิบัติต่อตัวเองนะการปฏิบัติต่อตัวเองเป็นของที่ยากอยู่บ้างแต่ความดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเราไม่มีอะไรเส ม, สมอตัวของเราที่รักษาไว้ดีแล้วแหละพยายามรักษาตัวให้ดี การอภิตัวน่ะสําคัญเราจย่าเดือเร้อนอย่าทะเลทะลายให้ดูหลักเหตุหลักผลหลักศีลหลักธรรมมีหลักกฎหมายบ้านเมืองมีให้ดูต่างคนต่างดูต่างคนต่างสนใจต่อกฎระเบียบข้อบังคับศีลธรรมแล้วความดีงามก็จะต่างคนจะต่างมีแสดงต่อกันไปที่ไหนก็มีแต่ความดีแสดงต่อกันโลกก็เย็นถ้ามีไปที่ไหนก็มีแต่ปื้นแต่ไฟเผากันตลอดแล้วโลกนี้หาเย็นไม่ได้เลย กว้างขนาดไหนก็เป็นไฟกว้างขนาดนั้นแหละท่านจำนะแล้วต่อไปนี้จะให้สีให้พรละปูดเพียงนั้นคุณมากนเหนื่อยแวนนาใจพรนะอาขียงก็ไ่ไดพรนี่บ่ายโม่งย่งขีแค่เย่มาจะหันก็บท่าน เรืมันมาถวาอีกเป็นใหญ่พ่อหน่อยที่ไปเลยเนี่ยยุบธาตนอีกเหเมือนเหมืเล่นเพราะถึงว่าขึ้นจำซะบังเนี่ยให้ได้ลึกซะบ้างทั้งนั้นนะหลวงตาบัวไม่เหมือนใครนะหลวงตาบัวมันชื่อชื่อว่าบัวเพราะอย่ที่แต parsley, ่ตัวคนไม่พอแล้วม uh, ันพ้น wow. บุงตุเลยเนี่ยว่าเพรางเขาเรียกหลวงตาบุหลวงตาบุเรายอมรับให้จะบอกกันเนี่เพราะเราจะไปมีของดีแจกคนระหว่างนันถ้ามีของดีแล้วเราจะแจกของดีเนี่ยว่า ยะถ า, าวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคระัง <c oughs> เอวเมวอิตโตทินังเปตานังอุปะกะปติอิชิตังปติตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกะปาจานโทปนารโสยะถามณิโชติอระโสยถ า, าสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธรรนาสีดิสนิตจังมุธาปจายโนจัตตารุธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางัง